สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่7นะครับประโยชน์ของบทเรียนออนไลน์นะครับ 1. นะครับผู้เรียนที่ได้เรียนบทเรียนออนไลน์นะครับจะมีผลสําเร็จทางการเรียนที่สูงหรืออย่างน้อยก็เทียบเท่ากับการเรียนปกตินะครับ 2. นะครับการเรียนกับบทเรียนออนไลน์นะครับจะลดเวลาการเรียนลงเมื่อเทียบกับการสอนปกตินะครับ 3. ผู้เรียนมักจะมีทัศนคติที่ดีต่อรายวิชานั้นๆนะครับและสนใจการเรียนเพิ่มมากขึ้นนะครับ 4. นะครับบทเรียนออนไลน์ใช้เป็นบทเรียนส่งเสริมส่วนตัวของผู้เรียนได้ดีโดยเฉพาะผู้เรียนที่ขาดการเรียนและสามารถประเมินผลการวัดความก้าวหน้าของผู้เรียนได้โดยอัตโนมัติห้าผู้สอน สามารถควบคุมการเรียนของผู้เรียนได้เพราะคอมพิวเตอร์จะบันทึกสถิติการเข้าเรียนผลการทำแบบฝึกหัดและผลการทดสอบการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละบุคคลได้6สามารถจัดทาบทเรียนออนไลน์ให้มีบรรยากาศที่น่าสดชื่นเร้าอรมความสนใจด้วยการนาเสนอภาพสวยๆเสียงบรรเรงไพรอดสนุกสนาน มีภาพเคลื่น่วยหรือ VO อประกอบยิ่งทําให้ผู้เรียนช้าได้สนใจที่จะเรียนเพิ่มมากขึ้นนะครับ7นะครับผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความช้าเร็วและความถนัดของตนเองทําให้สามารถควบคุมอัตราความช้าเร็วในการเรียนได้ด้วยตนเองนะครับ 8. นะครับการตอบสนองที่รวดเร็วของคอมพิวเตอร์ทําให้ผู้เรียนได้รับการเสริม แรงที่ดีและมีประสิทธิภาพ9นะครับสามารถรวบรวมเอาเสียงดนตรีสีสันกราฟิกภาพขึ้นไหวซึ่งทำให้ผู้เรียนดูเหมือนสถานการณ์จริงและน่าเร้าใจในการปปฏิบัติหรือสถานการณ์จำลองได้เป็นอย่างดีกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจที่จะเรียนรู้มากขึ้น10นะครับ ความสามารถในการเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ทำให้ในการเรียนแบบเอกทัศบุคคลเป็นไปได้อย่างง่ายดายซึ่งครูผู้สอนสามารถออกแบบให้ผู้เรียนได้โดยลำพัง11นะครับความแปลกใหม่ของคอมพิวเตอร์จะเพิ่มความสนใจความตั้งใจของผู้เรียนมากขึ้น 12. คอมพิวเตอร์ให้การสอนที่เชื่อถือได้ให้แก่ผู้เรียน โดยไม่เกี่ยวข้องกับผู้สอนแต่อย่างใดสิบสามนะครับบทเรียนออนไลน์จะช่วยให้การเรียนมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการเรียนซึ่งจะมีประสิทธิภาพในแง่ที่ลดเวลาลดค่าชิตจ่ายลงและมีประสิทธิผลและมีประสิทธิผลในแง่ที่ดีทําให้ผู้เรียนบรรลุปเป้าหมายมีประสิทธิผลทางการเรียน ที่ดีขึ้นและเป็นลำดับต่อไปนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่7นะครับมีเนื้อหาทั้งหมดเพียงเท่านี้นะครับสามารถต่างข้อมูลเพิ่มเติมได้บนสไลด์เลยนะครับ